น, นั่นเองเราก็ลองมาศึกษาตามหลักที่ทิวอินหยัดเอาไว้ <c oughs> ซึ่งมาเองนั้นเป็นผู้ที่เคยเรียนปริยัตมาก่อนการที่จะยอมรับคําสอนหรือหลักการที่ไม่ตรงปริยัตเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดังเลสงสัยมากอืต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเทียบกันลงตัวว่าตัวนี้ลงกับตัวนี้ตัวนี้ลงกับตัวนี้ตัวนี้ลงกับตัวนี้ จนชัดเจนว่าอ๋อมันแมทกันทั้งหมดอ่าก็ภาพที่เราต่อเป็นจี๊กชอก็ครบถ้วนฉะนั้นเองเราทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมดาว่าของอาจารมาหรือของหลวงพ่อเนี่ยมันแมทแบบนี้พบแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ช่วยกันมายืนยันว่ามันเป็นไปได้แต่ต้องทำในประสบการณ์ของเราเองต้อง ทำในสติปัญญาของเราเองเราจะไปก็ปีเอาแบบคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะยังได้กล่าวแล้วว่าบอ่อน้ำของแต่ละคนอาจจะลึกไม่เท่ากันนะเพราะเราแต่ละคนนีมีอดีตมีความเป็นมาภูมิหลังอะไรมากมายที่เราพบชาตนะิที่เราได้สืบทอดต่อกันมาเนี่ย บางคนก็มีบรรพบุรุษได้สนใจศึกษามาก่อนแต่พอมาถึงเราเป็นธรรมทายาของท่านมาถึงยุคเราก็ง่ายขึ้นบางคนทำฝ่ายบรรพบุรุษไม่เคยศึกษาแร้เรียนหรือไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนมาถึงรุ่นเราเราไม่ได้มีพื้นฐานานั้นมาก่อนเราก็ยากขึ้นแต่มาสั่งสมเอาใหม่เอามาเคยตั้งข้อสังเกตเสมอว่า ไม่ใช่ลูกเศรษฐีเท่านั้นที่จะมีสิทธิเป็นเศรษฐีแต่ลูกคนจนก็มีสิทธิเป็นเศรษฐีได้ถ้าเขาเขยนันแต่นขณะเดียวกันลูกเศรษฐีก็มีสิทธิเป็นคนจนได้ถ้าเขาเขี้เกียจเนรดังนั้นเองในตัวภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีอยู่ในคนทุกคนในสิ่งที่เป็นสัญญาณว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวเราอมันคืออะไร สิ่งที่เป็นสัญญาณที่ว่าสิ่งนี้มีอยู่ในตัวเราก็คือภาวะของความสุขความทุกข์เราเห็นภาวะของความไม่สุขไม่ทุกข์เราก็มีอยู่นะสัมผัสได้ทุกคนบางวันเรารู้สึกสบายเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เบิกบานก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราไม่สามารถจะขยายภาพ หรือดำรงภาพนั้นไว้ได้เพราะว่ามันปรากฏวัดเดียวนะบางทีบางคนก็จําได้ยาวนานในภาพอ น, นั้นทีนี้ถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะเจาะไปสู่ตัวเนี้ยมันมีสัญญาณบอกอยู่ว่าภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีอยู่ในสมัยก่อนในสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เนี้ยภาวะเหล่านี้ปรากฏบ่อยมากเมื่อสมัยเป็นเด็กผู้ใหญ่พาเราไปที่ไหนเราเกิดประทับใจอะไร แม้ปัจจุบันนี้อายุเข้าไปห้าสิบกสิบภาพนั้นปรากฏชัดอยู่ไม่เคยเลือเล่อนเลย น, นั่นหมายความว่าจิตของเราขณะนั้นบริสุทธิ์มากๆเมื่อไปกระทบกับอะไรเนี่ยมันสามารถถ่ายภาพนั้นเอาไว้ติดไว้ลึกๆอยู่ในใจมันก็ปรกากฏอ้วหภาพประทับใจดังนั้นเองภาวะสุขทุกภาวะเนือ้อสุขเนื้อทุกข์ก็มีอยู่ทุกคนนะ ถ้าว่าไปมันไม่ได้ลึกี่ตื้นแต่ว่ามันมีอยู่แต่เราจะเข้าไปทำภาพขยายภาพตรงนั้นให้มันกว้างได้อย่างไรนะก็อาศัยหลักการที่พระุทองค์ตรัสเอาไว้ว่าหนึ่งจะต้องมีศรัทธามีความตั้งมัน่นมีความเชื่อมั่นที่จะทำทีนี้ศรัทธาเนี่ยทุกคนเราบอกว่าเออพ่อแม่เราญาติยายเราน่าพึงพุทธศาสนา แม้ถึงตัวเราก็ยังนับถือพุทธศาสนาจะบอกว่าเราไม่มีศรัทธาได้อย่างไรแต่ว่าศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยต้องประกอบด้วยแค่สี่ประการเท่านั้นหนึ่งต้องเชื่อการกระทาของตัวเองเรื่อกกรรมวิศธาเราไม่ได้เชื่อเรื่องของเหตุ นิยมพรมลิขิตนะหรือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในแรงบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันนั้นไม่ใช่ศรัทธาแบบนี้แต่ศรัทธาในพุทธศาสนาต้องเชื่อกรรมว่าศรัทธาคือเชื่อการกระทําของเราเองนะว่าสิ่งไหนที่เราทำเนี่ยสิ่งนั้นต้องเกิดผลแน่นอนหรือว่าศรัทธา การกระทํานั้นต้องมีผลก็เรียกเป็นวิปากะสัทธาอันที่สองว่าการกระทำของเรานั้นมีผลแน่นอนกระทาดีทําชั่วทําถูกทําผิดมีผลและผลนั้นอันที่สามตกกะตัวเราเราเป็นเจ้าของแห่งกรรม น, นั้นเรียกกรรมสกตาสาัทธาและประการที่สี่เราสามารถหลุดพ้นจากกรรมได้สัทธาในการที่จะหลุดพ้นจากกรรม นี่คือลักษณะของกรรมของศรัทธาแต่ในศรัทธาทั่วไปเนี่ยไม่ได้พูดถึงการหลุดพ้นจากกรรมนะหนึ่งเชื่อมั่นในการการะทําเช่นเรายกมือ แ, แต่ละครั้งเชื่อมั่นมากว่าเราตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทําถ้าตั้งใจทํามีผลอีกแบบหนึ่งไม่ตั้งใจทํามีผลนีกแบบหนึ่งตั้งใจทําด้วยความรู้สึกตัวมีผลนีกแบบหนึ่งตั้งใจทำโดยความไม่รู้สึกตัวมีผลนีกแบบหนึ่งเนี่ย เพราะนั้นในแต่ละเวลานาทีที่ผ่านไปเนี่ยมีความสำคัญแต่ถ้าเราตั้งใจถูกมีผลอีกแบบหนึ่งถ้าเราตั้งใจผิดมีผลอีกแบบหนึ่งนี่เขาเรียกว่าเราต้องเชื่อมั่นในผลเรานี้ดังนั้นวิปากระสาวิปากระสาเชื่อมั่นในวิบากคือผลว่าการกระทํานี้ต้องมีผลและวิบากนั้นต้องตกแก่ตัวเราเองเราเป็นเจ้าของ คนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยนั่นหมายว่าถ้าเร า, เราทําถูกเราก็เป็นเจ้าเจ้าของสิ่งที่ถูกเราทําผิดเราก็เป็นเจ้าของสิ่งที่ผิดเราเป็นเจ้าของในส่วนที่ผิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นแก่เราเราเป็นเจ้าของในส่วนที่ถูกความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นแก่เรานี่นี่ก็เรียกว่ามัศกตาสทัทธาและอันสุดท้ายได้วัตถาคะตะโพธิสัทธาเชื่อมั่นว่า ปัญญาในการบรรลุถึงในสิ่งนี้มีอยู่ในตัวคนทุกคนคือปัญญาที่พระพุทธเจ้ามีอยู่กับปัญญาที่เรามีอยู่ที่จะบรรลุถึงเรียกว่าตถาคตตโพธิสัตหามีอยู่ในคนทุกคนที่นี้เราจะเจาะเข้าไปถูกตัวปัญญานี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เรามาทำนะล้วมีศรัทธาทั้งสี่ประการนี้เราจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องว่าต้องเชื่ อ, อเรื่อง สิ่งสูงสุดเครื่องลึกลับเรื่องพิสารเทว ด, ดาเรื่องเทพนิยมผมลิขิตไม่ได้เชื่อสิ่งนั้นเลยแต่ปัจจุบันนี้เราเชื่อกรรำเหมือนกันแต่กรรมที่เป็นกรรมนอกพุทธศาสนาเป็นกรรมนอกพุทธศาส น, น, นาไม่ใช่เป็นกรรมในในศา ส, สนาพุทธที่เราเห็นกันเชื่อว่ากรรม ชาตินี้ชาติหน้ามีผลไปอย่างั้นแล้วเอากรำมาเป็นเรื่องธรรมาหากินกันมีการสะเดาะเคราะมีการล้างเวรล้างกรรมมีการตัดกรรมเนี่ยกรรมพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะทีนี้กรรมในพุทธศาสนาเกิดจากอะไรกรรมเหตุของกรรมที่มาของกรรมกรรมพุทธศาสนาเกิดมันเป็นลําดับพี่ว่าอวิชชาตัญหาอุบัานกรรมลำดับที่สีเพราะฉะนั้นกรรมเกิดจาก อุปทานอุปทานเกิดจากตันหาตันหาเกิดจากอวิชาวิชาตันหาอุปทานกรรมเพราะฉะนั้นกรรมก็เกิดจากสามตัวนี้กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยแต่ถ้าหากว่ากรรมที่เป็นเหตุให้หมดทุกข์ที่เป็นกุศลกรรมก็เกิดสติสมาธิปัญญาแล้วก็มากุศลกรรมถ้ากรรมที่เป็นอนกุศลกรรมก็วิชาตันหาอุปทานกรรมเหมือนกัน ฉันั้นพอเรามาเจริญสติสมาธิปัญญาแ ล, แล้วกรรมอุศรกรรมตรงนี้ก็เป็นกรรมที่พ้นจากทุกข์ได้เรียกว่า เ, เหนือกรรมนะดัะนั้นเองเมื่อ <c oughs> เราลงมือทําำต้องทําด้วยศรัทธาไม่ใช่ทาด้วยความเบื่อเบื่ออยากอยากความด้วยความลังเลส่งสัยแต่ว่าเราไม่สามารถจะห้ามได้ว่าเราไม่ให้มีไม่สามารถจะห้ามกันได้ไม่ให้เบื่อให้อยากมันต้องมีแต่เราพยายามตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า เชื่อมั่นว่ า, าการกระทําวันนี้ทั้งวันต้องมีผลผลจะมีลักษณะสองอย่างคือผลทั้งดีและไม่ดีใ น, นแล้วก็ประเมินวันนี้ผลดีก็จะทาให้รู้สึกสบายปลอดปร่งเบาแล้วก็มีความเชื่อมัน่นมีความเข้าใจมีผลในทางดีและประเมินออกมาอย่างนี้แต่ผลในทางที่ไม่ดีเกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความเบื่อหน่ายเซ็งเกิดความาไม่มั่นใจอันนี้ก็ผลออกมาในทาง อีกแบบหนึ่งก็เหตุมันก็คงจะเกิดใ ห, ให้มาส่งผลให้เกิดอันนี้เนื่องเรามีศรัทธาแล้วสองต้องมีความเพียรความเพียรได้กล่าวไปเมื่อเช้าแล้วว่าความเพียรที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จอันนี้ต้องมีสี่ประการเหมือนกันก็คือการระมัดระวังในส่วนที่เราไม่พึงปรารถนาเช่นความขี้เกียจเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความง่วงก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้มันเกิด ความพุ้งสร้างก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดความหงุดหงิดก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดความลังเลสงสัยก็ระมัดระวังไม่ให้มันเกิดแต่ว่าดังได้กล่าวแล้วมันระวังแบบขนาดไหนมันก็ต้องเกิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นกฎของธรรมเมื่อเกิดมาแล้วก็จะใช้กฎอันที่สองคือต้องพยายามตัดพยายามแก้ไขพยายามขจัดปัดเป่าออกไป แต่กำลังที่จะมาขจัดปัดเป่าออกได้เร็วนั้นจะ ต, ต้องใช้กฎอันที่สมก็คือการเพิ่มพูนกำลังเพิ่มพูนน้าหนักเพิ่มพูนความแม่นยาเพิ่มพูนพละกกำลังของอตัวตัดนี้คือเรียกว่าภาวนาเมื่อเราสามารถที่เข้าไปขจัดปัดเปล่าได้อย่างถูกต้องแล้วแล้วรักษากำลังแห่งการ ขยัดปัดเป่านี้เรียกว่าการใช้อนุรักษ์ฉะนั้นในความเพียรทั้งสอย่างเนี่ยเพียรทาเพียรระวังเพียรละเพียรเจริญแล้วก็เพียรรักษานี่ก็เรียกเพียรที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขณะที่ทําไปเนี่ยเราก็ทุกข์ทนอยู่แค่นี้แหละอะไรมันกําลังจะเกิดปวดขาเนี่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาไหมไม่ปรารถนาเราก็ระวังแต่ว่าเราห้ามข้อปวดขาของเราได้ไหมห้ามไม่ได้แต่เราละได้ แล้วก็เลี่ยนแตเปลี่ยนพลิกขณะที่พลิกเนี่ยเราจะทําะไรพลิกเปลี่ยนอย่างหนึ่งแต่มันได้อีกอย่างหนึ่งหมายความว่าเปลี่ยนทยนํ า, าทให้เกิดความสบายและทําให้เกิดสติด้วยทําอย่างไรแต่อีกเปลี่ยนทําให้เกิดความสบายแต่ไม่ได้สติอันนี้เราไม่เปลี่ยนแบบนั้นซึ่งว่าจะเปลี่ยนขาปั๊บเราขยับรู้ความสบายเกิดอันนี้ที่หอันนี้สองที่หนึ่งอันที่สองรู้ว่า เราเปลี่ยนตามลำดับอย่างไรเห็นขบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนอันนี้เราได้สติแล้วนี่อันนี้เป็นตัวการละที่ถูกต้องละอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อีกสองอย่างละความไม่สบายได้ความสบายและได้สติด้วยนี่คือเพียรละนะเขาเรียกประหารประหารรับประทาน ทีนี้ในพอเราละความไม่สบายประหารความสบายเอาไปมันก็ได้คุณภาพอันที่สามโดยอัตโนมัติคือความรู้สึกตัวเขาเลือกภาวนาแล้วก็พยายามรักษาความรู้สึกตัวนั้นเอาไว้ชัดๆพอนั่งท่านี้เดี๋ยวสักพักมันก็ไม่สบายขึ้นมาใหม่พอจะเปลี่ยนปั๊บมันมีความรู้สึกตัวทุวพร้อมอยู่แล้วก็เปลี่ยนกลับมาใหม่พอเปลี่ยนกลับมาใหม่ก็ได้สติใหม่ น, นี่หมายความป็นการอนุรักษ์ความรู้สึกตัวนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้ที่กล่าวไปตอนเช้าชุดหนึ่งละในเรื่องเพียนความกล้าหาญวิทยะเพียนอะไรที่กล่าวไปตอนเช้าแต่นั้นเวลาเราลงมือทำเนี่ยเราก็จะระลึกแล้วก็คิดถึงหลักอันนี้อยู่เสมอแต่ถ้าเราไม่คอยคำนึงถึงหลักที่ที่เราจะเป็นเครื่องมือในการเพียนเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามอ า, อารมณ์ เอาจำอารมณ์ทําบ้างไม่ทําบ้างทําถูกบ้างทําผิดบ้างทําตามใจบ้างทําฝืนใจบ้างให้มันผ่านผ่านไปอันนี้มันก็จะไม่ได้ผลอะไรไปเรื่องเป็นราวเพราะเราไม่ได้ใช้หลักการอันนี้เข้าไปจับนะอันนี้กติกาว่างนั้นเอถอะผลออกมาก็ไม่ชัดเจนเพราะเราไม่ได้ทําตามกติกาเพราะฉะนั้นเราต้องจํากติกาให้แม่นยําเลยว่าเออที่เรามานี่นะเรามาศึกษาในสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนี้ ต้องการให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนท่านบอกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ชัดเจนจะก่อให้เกิดสติสมถทิปัญญาและสติสมถทิปัญญานี้จะไปขจัดปัดเป่าความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจได้อัเห็นว่ า, าไว้ที่เราสวดเมื่อวานนะว่าทางนี้วิธีนี้เป็นวิธีเดียวเอกายโนสตานังวิสุทธิยาที่จะขจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปได้ ทุกข์ธาตุมนัสสานังอัทังขมาย ะ, ะโศกปริเทวนังสมติกมายะความโศกเศร้าพิัยลำพันธ์ความคล่ลำโทวนควา ม, า ม, วามหวยหาความไม่สบายทุกทระทมขมคืนจะตั้งอยู่ไม่ได้อา น, นิสงของมันนะแล้วก็ท่านก็บอกว่ายายะสัอธิคมายะคือทำให้เราเข้าถึงธรรมที่เราควรจะถึงนิพพานสัจจิกิริยายะเราสามารถทำผ่านาให้ ปรากฏให้แจ่มแจ้มแจ่มแจ้งได้ด้วยวิธีการอันนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้คุณรู้อันนี้สูงอันนี้แล้วเราก็เกิดความมั่นใจเมื่อความมั่นใ จ, ไ ม, มมนใจไม่ใช่มั่นใจแบบ อ, อยากแต่มั่นใจแบบมีหลักว่าเออเราต้องมีศรัทธานะศรัทธาสีประการที่กล่าวมาเราต้องมีความเพียรสีประการนี้มีทัศนามีความเพียรนะก็มีอันที่สามต้องมีสติสี่ประการที่ได้กล่าวมาวันก่อนว่ามีสติที่เป็นไปนในกาย ในสตเป็นเวท น, นายเป็นลักษณะได้6กแบบอย่างไรที่กล่าวไปเมื่อวานมีสติเป็นเวทนาดูเวทนาอย่างไรซึ่งวันนี้ก็ได้ตอกย้าเมื่อเช้ามีสติในการดูจิตนะทีนี้เราจะขยายความตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องเวทนาขยายมาเยอะแล้วว่าดูเวทนาทั้งสบายไม่สบายเหตุของเวทนาคืออะไรเหตุของสุขเวทนาเป็นอย่างไรเหตุของทุกเวทนาเป็นอย่างไรเหตุของอุทุกข์มสุขเวทนา คนนี้ไปสอบอารมณ์โยมคนหนึ่งโยมพูดมาคําหนึ่งามาอยากจะแก้ไขตรงนี้บอกว่าวิธีการอหนึ่งที่ไปฝึกฝนมาเนี่ยท่านใช้อุเปกขาวเวทนาซึ่งต้องบอกว่าคําว่าอุปิเขีขาวเวทนาในภาษาเปรียตไม่มีเพราะว่าถ้าอุเปกขาในเวทนาหรืออุเปกขาแปลว่าวางเฉยวางเฉยในเวทนาอันนี้มีแต่ว่าอุปกขาวเวทนา ไม่มีแต่อทุก ข, ขามาสุข เ, ขเวทน า, าตรไปขานคนละอย่างอทุกขมสุเขเาเวทน า, าหมายถึงเวทน า, าที่มันจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงมันพร้อมที่จะสุขที่จะทุกข์เพราะมันเป็นเวทนาที่จะว่าแก่ก็ไม่ใช่จะว่าอ่อนก็ไม่ใช่คือจะเวทน า, าแก่ไหมเขาว่ามันทําให้ทุกข์เวทานาอ่อนหมเขาบอกมันทําให้สุขแต่อันนี้มันยังไม่แก่ไม่อ่อนอยู่ปานกลาง ลักษณะเวทนาที่มันอยู่ปันกลางแล้วจะบอกว่าอุเบกขานี่ไม่ได้นะเราปิกขาเวทนาไม่มีนะมีแต่เพราะอาทุทกมรสกับเวทนาแต่ว่ามีอุเบกขาในเวทนาได้หมายความว่าวางเฉยในเวทนาอันนี้ถูกดังนั้นถ้าจะพูดให้ถูกว่าอุเบกขาในเวทนาไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะอันนี้ต้องแก้ไขตัวนั้นทีนี้ในเวทนานี้ เนื่องจากพวกเราการปฏิบัติยังไม่ไปไหนถ้าจะลงลึกในเวทนาก็จะสับสนนะแต่จะผ่านไปสู่ตตด้ว่าจิตตานุปัสสนาเลยซึ่งเมื่อเช้าได้กล่าวไปครั้งหนึ่งว่าจิตตานุปัสสนาโดยละเอียดมีสิบหแต่โดยย่อมีแค่สามมีกุศลจิตอกุศลใจิตแล้วก็อพยากตาจิตทีนี้คาว่าอพยกตจิตนี่คืออะไรเป็นจิตที่ยังบอกไม่ได้ เหมือนอาทุกขมสุขเวทนาถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยกุศลจิตมันเกิดจากตัวเวทนาอันหนึ่งอกุศลจิตเกิดจากเวทนาอัพยากตะจิตก็เกิดจากคล้ายว่ามันจะเกิดแบบอทุกขมสุขเวทนาอันนี้เป็นเรื่องร า, า, ายละเอียดนะจะไม่ลงตรงนั้นแต่ว่าท่านใช้อัพยากตะคือยังพยากรณ์ไม่ได้ว่าจิตนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปจิตนี้เป็นกุศลหรืออกุศลยังบอกไม่ได้ ที่มีสามลักษณะในขณะเนี้ยบางคนจิตเป็นกุศลและขณะเดียวกันนี้บางคนจิตเป็นอกุศลแต่บางคนยังไม่แน่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลยังจะว่าเป็นลังเลสงสัยก็ไม่ใช่นะคือยังตัดสินไม่ได้ว่าขณะ น, นี้จิตของฉันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลหรืออกุศลพราะรู้ว่าเอาขณะนี้จิตต้องเป็นกุศลพราะฟังทำแล้วเข้าใจ เ็เกิดความแจ่งแจ้งขึ้นมาเป็นกุศลและจิตหรือบางคนฟังแล้วรู้สึกสับสนอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดไม่เข้าใจอันนี้จิตก็เป็นอกุศลใช่ไหมก็เกิดความรังเลเกิดความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นในแต่ละขณะที่เราเจริญสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ตัดสินให้ชัดลงไปเลย อันนี้เป็นลักษณะของปัญญานะให้ชัดไปเลยว่าคือสํารวจลงไปในใจในใจของเราว่าขณะนี้ที่ฉันฟังเนี่ยฉันจิตฉันดีหรือไม่ดีถ้าจิตไม่ดีก็ปรับให้มันให้มันดีถ้าจิตดีอยู่แล้วก็ดํำรง ม, มันไว้แล้วจิตที่ยังยังไม่แน่ไว้เอ๊ะท่านเลยบอกไม่ได้ว่าจิตฉันดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่ายังพยาการมาได้แล้อว อ, อัพยกระดักคือยังพยากร์ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดี ลักษณะนี้ก็มีใช่ไหมบางคนทำท่าจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจทำท่าจะว่าไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ใช่ก็รู้เรื่องอยู่เหมือนกันจึงพยากณ์ไม่ได้ว่ามันมันมันเป็นกุศลหรืออกุศลลักษณะนี้เรียกว่าอภพยากตะาจิตมีอยู่ใช่ไหมทีนี้ไดนให้ศึกษาเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นชัดๆว่าจิตของเราอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะนั้นเลยแยกเป็นรายละเอียดเวลาเราสวด สราคังว so so like ่าจ <microb crust. S 2> ิตตายสราคังจิตตันติประชานติตวีตราคังว่าจิตตังวีตาราคังจิตตันติประชานติเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ชัดๆว่าจิตมีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ชัดๆว่าจิตไม่มีราคะสาโทสั่งว่าจิตตังสะโทสั่งจิตตันติประชานะจิวีจะโทสั่งว่าจิตตังวีจะโทสั่งจิตตันติประชานะจิเมื่อมีความหมุดหงิดงุ่นงาน ไม่พอใจก็ให้รู้ชัดๆว่าขนาดนี้ฉันไม่พอใจนะให้รู้ลงไปชัดๆเลยตรงนี้มันกลับเปลี่ยนเป็นวีตาราคังเมื่อจิตไม่มีโทสะไม่มีความโกดหขิ น, นไม่มีความหุ่นงานหุนวายไม่มีความปฏิฆะขุนมัวก็ให้รู้ชัดๆว่าขนาดนี้จิตฉันไม่มีภาวะแบบนี้นะการรู้เข้าไปชัดๆตรงนั้นแหละเรียกว่าเป็นตัวปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ชัด แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีระจิตมีราคาจิตมีโทสะจิตมีมันต้องมีในเมื่อสติเรายังไม่สมบูรณ์ภาวะอากุศลทั้งสามอย่างนี้ต้องมีแต่เราจะเปลี่ยนภาวะอกุศลทั้งสามในราคะโทสะโมหะให้เป็นกุศลได้อย่างไรก็คือรู้เข้าไปชัดๆไอการรู้เข้าไปชัดๆนี่เองเป็นหน้าที่ของสติปัญญาแต่ส่วนใหญ่เป็นยังไงรู้ไม่ชัด พอใจก็ไม่ชัดเจนว่าเข้าไปในความพอใจที่แสดงเมื่อได้รู้แล้วเราเข้าไปซะเออฉันชอบใจเข้าไปในความพอใจนั้นโอ้เดี๋ยวนี้ฉันฟังแล้วอะไรก็ไม่รู้ฉันงุนหงิดไม่พอใจเราก็เข้าไปในความรู้สึกงุนหงิดนั้นเสียลักษณะนี้เราไม่เห็นละเพราะเราเข้าไปในมันแต่ถ้าเรามีสติที่เจริญอยู่เนี่ยเราก็เห็นอ๋อนี่ฉันพอใจฉันไม่พอใจเห็นชัดเลยพอเห็นชัดปั๊บทั้งพอใจไม่พอใจหมดไป เหลือแต่ตัวรู้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตัวรู้กับตัวหลงมันจึงสลับสับเปลี่ยนกันเกิดตลอดเวลาขึ้นตัวขึ้นอยู่กับตัวแปรที่สําคัญคือสติที่เราเจริญนี้ถ้าเจริญที่เราเจริญนี้ถูกต้องแล้วก็ทํางานได้ถูกต้องปั๊บมันก็สามารถเปลี่ยนตัวรู้ให้เป็นเปลี่ยนตัวหลงให้เป็นตัวรู้ได้เปลี่ยน ราคะให้ไม่มีราคาได้เปลี่ยนโทสะให้ไม่มีโทสะได้เปลี่ยนโมหะไม่ให้มีโมหะได้เป็นกุศลจิตดังนั้นกุศลอกุศล ก, ก็เป็นเหตุของกันและกันตัวรู้กับตัวหลงก็เป็นเหตุผลของกันและกันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่สําคัญก็คือตัวสติสมาธิปัญญาดังนั้นการปารบความเพียรที่ต้องทําให้เยอะให้มากๆานี่เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดตัวรู้ที่เข้มแข็งเพราะฉนั้นเองนะ แล้วตัวรู้ที่เข้มแข็งนี่เองมันจะไปเปลี่ยนสภาพที่เป็น negative, ปน e g a t i ให้เป็นพ o s i t i v นะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลได้หมดนะอันนี้การเกี่ยวข้องเข้าไปกับจิตมันเพื่อจะมีสามลักษณะใหญ่ๆจนไปถึงอันสุดท้ายที่ว่าวิมุตตังวาจิตตังติวิมุตติจิตัน ต, ต, ต, ติประชานะติอาวิมุตตังวาจิตตันติประชานะติเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นเมื่อจิตยังไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้น อันสุดท้ายนะ่ะให้รู้เท่านั้นเองนั้นตลอดเวลาจึงดำรงตัวรู้ไว้อย่างมั่นคงและดำรงมันไว้เรื่อยๆแล้วตัวรู้มันจะไปทำหน้าที่ของมันนะเอาล่ะอันสุดท้ายในเรื่องสติอันสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติประฐานซึ่งได้กล่าวว่าจนเช้า ว, ว่าตัวนี้มีรายละเอียดเยอะมากแต่ย่อแล้วเหลือสามเหมือนกันกุศลธรรมอกุศลธรรมและ เวล า, ลาเราสวดกุศลธรรมากุศลยไินไเขาสวดที่ไหนบน่นอ <laughs> ่ขึ้นใจกุศลาธรรมากุศลาธรรมาอัยากระธรรมากุศลจิตอกุศุลจิตอัยากตะจิ ต, อ ต, จตเอ๊ะทไมมันบทเดียวกันละน่ะนะกุศลาธรมาธรมาอกุสลาธรรมาแต่ว่าถ้าท่านอเอามาเลียงปริยัติท่านเอาอากุศลจิตขึ้นก็อกุศุลธรรมขึ้นก่อนนะ ในกุศลธรรมหนังสือจะพูดถึงเรื่องนิวรณ์ห้าขึ้นมาก่อนพูดถึงเรื่องอุปทานทห้าขึ้นมาก่อนพูดถึงเรื่องอายตนะทั้งหกมาก่อนก่อนที่จะไปสู่เรื่องของโพชทชงเจตอริยสสีพุทชงเจตเลยมัคคีโอแปลทั้งหมดเป็นหมดของธรรมมันอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะแต่ว่าย่อแล้วก็เหลือสามนั่นแหละกุศลธรรมากุศลธรรมาปยกาธรรมา ก, รรมกะตเมธรรมาแตสงสมเยเนียว่า ไอ้ส่วนที่ว่ากุศลเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเกิดขยายไปเรียกว่าอริธรรมที่เราสวดนะทีนี้ในภาคปฏิบัติมาดูในภาคอันนี้ว่าว่าปริยัติให้วางว่านี่คือหลักพุทธพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างนี้นะที่หลักปฏิบัติของเราเราก็กลับมาในส่วนที่เป็นสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมขณะนี้ที่เราเห็นชัดๆเราก็สังเกตว่าขณะนี้อารมณ์คำว่าธรรมอารมณ์ ธรรมานุปัสสนามาถึงธรรมารมณ์ธรรมารมณ์จิตของเรานี่มีสามลักษณะหนึ่งลักษณะที่เป็นธรรมารมณ์หมายความว่าอันนั้นผ่านไปอันนี้ผ่านมาเรื่องนั้นผ่านไปเรื่องนี้ผ่านมาไม่เป็นเรื่องไปรนเาแวบคิดถึงบ้านแวบคิดถึงลูกแวบคิดถึงงานแวบทิดึงสามีแวบคิดถึงพ่อถึงแม่แวบคิดถึงเพื่อนแวบไปแวบมาย่งนี้ไม่เป็นเรื่องไป็นเลลักษณะนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นทางผ่านของอารมณ์ เรียกว่าธรรมารมณ์ลักษณะที่จิตมันมีภาพผ่านเข้ามาอย่างนี้ผ่านมาผ่านไปเราไม่เรียกว่าความคิดเราเรียกว่าอารมณ์หรือธรรมอารมณ์อันนี้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอุปสรรคเพราะจิตทาหน้าที่เหมือนเตั้งกระจกบาน ใ, นใหญ่ไว้ถ้าเราผ่านไปผ่านมากระจกก็ทาหน้าที่อะไรสะท้อนภาพออกมาใช่ไมจิตของเราก็เหมือนกระจกใบใหญ่ และกระจกใบนี้มันมีช่องที่สะท้อนภาพอยู่กี่ช่องนึกออกไหมหกช่องตาเห็นสะท้อนภาพในใจใช่ไหมหูได้ยินสะท้อนภาพรปรากฏที่ใจจมูกได้กลิ่นลิ้ ม, มรสกายสัมผัสจิตรู้อารมณ์ผ่านเข้าไปในใจหมดทีนี้ถ้าเรามีสติเห็นภาพเหล่านั้นภาพเป็นอย่างไรนะ ภาพที่ปรากฏในไอ้เาเรียกเมทัมิร์เร่เนี่ยเงาจิตเงาที่ปรากฏในจิตเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้แต่ถ้ามีสติตามรู้ภาพเหล่านี้ว่าวันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตก็จะไม่เก็บสั่งสมเป็นตัวเระวังคจิตรู้สับ o อ s แต่จิตก็สะท้อนภาพเหล่านี้ทำหน้าที่ของมันเหมือนเราลืมตาปั๊บเนี่ยมันต้องเห็นถ้าลืมตาปั๊บ ไม่เห็นนี่ผิดปกติแล้วเหมือนจิตมันมีอะไรมากระทบปับ๊บมันก็ต้องรู้ถ้ามันมีอะไรมากระทบไม่รู้จิตมันผิดปกติแล้วเพราะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่าธรรมารมนะธรรมารมไม่เป็นอันตรายกับจิตแต่ว่าที่มันเป็นอันตรายว่าภาพหนึ่งอ่ะโอ้อันนั้นผู้หญิงแล้วอยสวยด้วยเอ๊ามาจากไหนเป็นลูกของใครอะไรนี่ผ่านมาแล้วแสดงว่ามันเป็นไงไม่ผ่านไป ลักษณะนี้เราเป็นสังขารสังขารและจิตนะสังขารแจิตตัวสังขารแจิตนี่กลายเป็นสมุทัยทันทีและสมุทัยตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติปัญญาที่เราฝึกฝนเข้าไปจัดการนะชวนจัดการอย่างไรค่อยว่ากันทีหลังนะอันที่สองนะคือตัวสังขาราจิตเป็นสมุทัยอันแรกเป็นธรรมารมณ์ฮะไม่ไม่เป็นสมุทัยเป็นธรรมะอันหนึ่ง ที่ปรากฏกับจิตเป็นธรรมชาติของจิตที่จะต้องสะท้อนภาพไม่เป็นสมูทัยเป็นธรรมชาติอันที่สองเมื่อมันผ่านมาแต่ไม่ผ่านไปหรือผ่านไปแต่ไม่ผ่านมาติดจึงอยู่ขนานเลยเป็นสังขารและจิตเป็นสมูทยให้เกิดทุกข์ทีนี้จิตอันที่สามจิตอันที่สามโอรู้สึกนั่งนี้รู้สึกปวดหนักอยากเข้าห้องน้า จิตมันไหวยังไงจิตมันบอกว่ า, างไงไปห้องน้ําใช่ไหมมันก็นึกถึงอะไรเรื่องห้องทางอยู่ที่ไหนไปอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ลําดับภาพเราเพื่อปกคล้ อ, องตัวลูกไปลักษณะที่จิตที่ได้รับสัญญาณจากทุกขเวทนาบังคับกายว่าจะต้องเข้าห้องน้ําแล้วมันก็จินตนาการถึงห้องน้ําแล้วก็ตอบสนองต่อจินตนาการอันนี้จิตประเภทนี้เรียกว่า เรวาอะไรเีว่าปัญญาเพราะจะต้องทำหน้าที่ตอบสนองต่อกันธรรมชาติอันนี้นะแล้วก็ปกครองตัวแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดปวดหนักปวดเบองขาขี้เหยียดไปเนีย่ยพึ่งไปแล้วก็กวดไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเลือกคนค่อยไปตัวนี้เป็นไงเอออันนี้มันมีเงื่อนไขตรงนี้นะมีคอนดิชันด้วยก็ ก็คิดอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปแล้วก็ความกังวลเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะไอ้ทุกขเวทนาค่อยบีบคั้นเรื่อยๆใช่ไหมการปวดหนักปวดเบาก็บีบคั้นกันมาเรื่อยๆลักษณะนี้ก็เป็นสังขารจิตการที่เราไม่ตอบสนองอย่างถูกต้องต่อธรรมาชาติที่เกิดขึ้นขณะนั้นแล้วพยายามผัดผ่อทักท้วงด้วยวิธีใดก็ตามแห้ะก็เป็นสมุทยัยอีกอย่างหนึ่นงเหมือนกันแต่ที่การผัดผ่อนทักท้วงแบบสังขารกับแบบสติต่างกันอย่างไร บางคนพยายามอดเอาไว้สมมติว่าไม่ต้องปวดหนักปวดเบาปวดขาก็แล้วกันนะเราจะเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยดูด้วยก่อนกดทับเอาไว้ทังนั้นก่อนเขาบอกว่าให้ล้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าเจตนาที่จะต้องการศึกษาว่าความปวดความไม่สบายตรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรแล้วทักท้วง ชะลอยักยั้งโดยไม่ตอบสนอง ท, ทันทีลักษณะนี้เป็นตัวสติและเป็นขันติเห็นไหมแต่ว่าการที่ทักท้วงชะลอไม่ตอบสนองมันทันทีด้วยความไม่รู้ด้วยความเพลินหรือด้วยมานะอันใดหนึ่งว่าฉันจะต้องเอาชนะแก่ให้ได้ฉันจะไม่ตอบสนองฉันจะไม่ทําตามลักษณะนี้เป็นตัวสมุทัยเป็นสังขารเห็นไหมตัวนี้ละเอียดมากนะ นั่นตัวเจตนาที่ตอบสนองต่อทุกขเวทนาที่เก่าทบทางกายก็ดีทางจิตก็ดีโดยที่เราต้องสํารวจลงไปว่าเราตอบสนองหรือไม่ตอบสนองเนี่ยเรารู้ไหมว่าเพื่ออะไรถ้ามันเป็นไปเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอันนี้เป็นตัวสัมมาถสติแต่ถ้าหากเรามีการชะลอมีการกดข่มมีการบังคับตรงนั้นเพื่อตอบสนองอัตตาของเราว่าฉันจะสู้แก่ให้ได้ ดูท่าจะเจ็บแค่ไหนฉันจะไม่ยอมแกงเนี่ยก็เป็นมานะอัตาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวสมุให้เกิดทุกข์หรือขี้เกียดไปขี้เยียจไปไปเอาไว้ตัวนี้แหละเดี๋ยวเลิกแลรวค่อยว่ากันอันนี้ไม่หิตไม่มีเหตุผลนันสมควรที่จะทําแบบนั้นน ะ, ะเพราะว่าไม่ชัดเจนก็เป็นสมุทัยพอทํานี้บ่อยเข้าเบิรกเข้าร่างกายก็เริ่มมีปัญหามันก็หยิกย้ำเราให้กอให้เกิดมีรําคาญอารมณ์ มันจะออกมานความเบือ่อความขี้เขียจความง่วงควา ม, วามาลืมหลงความเบลออะไรขึ้นมาสาเหตุที่กายไม่สบายทุกเวทนาทางกายบังคับแล้วก็เกิดทุกเวทนาทางจิตแต่เราไม่มีการเข้าไปปวดเปลืองแก้ไขทุกทางกายต้องรัาต้องบำบัดแต่ทุกทางจิตนั่นต้องกำหนดรู้ศึกษาทำความเข้าใจต่างกันนะ ทุกต้องกำหนดรู้หมายถึงว่าทุกขที่เป็นสมุทัยนั้นเป็นทุกในอริยสัตว์ต้องศึกษาต้องกำหนดรู้ต้องทำความเข้าใจแต่ทุกทางกายเนี่ยเป็นทุกโดยทำเป็นทุกโดยธรรมเราจะต้องบำบัดต้องแก้ไขต้องปรับให้มันพอดีนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของเป็นธรรมเพราะกายก็เป็นธรรมหนึ่งเรียกว่ารูปธรรมแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อธรรมะทางกายไม่ถูกต้อง เป็นการเป็นวิบากขึ้นมาเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์นะอันนี้ในส่วนของคําว่าธรรมานุปัสนาสติปฐานให้พิจารณาอย่างนี้ว่าจิตที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นสามลักษณะคือส่วนที่เป็นธรรมารมส่วนที่เป็นสังขาราจิตและส่วนที่เป็นสติสมัญญะหรือปัญญานะเอาละในเมื่อเราระลึกรู้ทั้งหมดนี้ว่ารู้กายสัตตว์กาย รูว่ารูปนี่สัตแต่ว่ารูปคือสัตแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตวเราเขาท่านให้ระลึกอย่างนี้นะที่เราเป็นอยู่ขณะเนี้ยมันสัตรวแต่ว่ารูปแต่พอไปลึกถึงเวทนาสมมติทุกเวทนาก็ว่าสัตแต่ว่าทุกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัเราเขาด้วยเขาเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นสัตแต่ว่าคือมันเป็นมันเป็นอาการว่างั้นเถอะมันไม่ใช่เป็นเราแต่ถ้ามาแล้วเป็นทุกหลงคารและเกินไอตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นเราละ เออเออนี่มันทุกข์ก็เปลี่ยนมันให้มันหายไปเท่านั้นเองเพราะมันเป็นอาการชนิดหนึ่งและอาการที่มันเกิดชนิดที่ได้กล่าวไปตอนเชา้าก็เกิดจากอะไรอาการทุกขเวทนาเกิดจากไตรรักคืออนิจจังทุกขังอนาตาจึงเกิดเป็นเวทนาและถ้าหากอานิจจังทุกขังนาตาก่อให้เกิดเวทนาทั้งสมนี้ถ้าเราเข้าไปบำบัดด้วยสติสมัมปัญญา เวทนาทั้งสามก็กลายเป็นสติสมถียปัญญาไปอนิจักรผู้ขังหน้าตาก็กลายเป็นสติสมถียปัญญาไปแต่ถ้าเราเข้าไปบำบัดแก้ไขไม่ถูกต้องก็กลายเป็นสมุทยัยก็ให้เกิดราคะโทสะได้โมห oh ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสติสมาธิปัญญาจริงเป็นตัวแปรที่สําคัญเป็นตัวแปรแต่จะทำยังไงให้เป็นสมาสติสมาสมาธิสมมาปัญญา ก็โดยการใช้การสังเกตยอย่างที่โทษว่ามันไม่เกีย้คือว่าเอ๊ะขณะที่อตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยด้วยต้องการฝึกฝนความอดทนหรือว่าด้วยมโะอัตตาว่าันจะสู้แก่ฉันจะไม่เปลี่ยนแก่นีอันนี้ขึ้นอยู่กับท่าทีในการที่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั้นด้วยว่าท่าทีแบบไหนทุกต้องกําหนดรู้เรากําหนดรู้ตามถูกต้องหรือเปล่านะ อันนี้คือหลักของสติปันสีและหลักการอันนี้ท่านบอกให้รู้เท่ารู้ทันในอาการนี้ท่านเห็นรวบมาที่ว่าอาการที่เป็นทุกข์ทางจิตเนี่ยเกิดจากตัวที่เราไม่รู้ทันเราไปสำคัญมั่นหมายสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจของเราเป็นเราทุกตัวนั้นเกิดเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นอุปทานขึ้นมา แต่ถ้าเรารู้เท่าทันปั๊บก็แก้ไขไปตามเหตุถ้าทาุกกายก็แก้ไขทางกายถ้าทุกจิตก็แก้ไขทางจิตไปแล้วมันก็เกิดขึ้นหมืก็ขยันแก้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี well ้มันมีเก <st up> ิดมีดับมีเกิดมีดับมีเกิดตลอดเวลาเราก็ไม่ไปงุ่นงิดนลำคาญไม่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่เราเข้าไปบำบัดแก้ไขจนกระทั่งการบำบัดแก้ไขเบ่อยเข้าบ่อเข้าก็เกิดเป็นตัวปัญญาขึ้นมา ทำให้เราเข้าใจโกฎของใจรักเมื่อเข้าไใจกฎใจรักว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างมันมันเกิดที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อว่ากายก็เป็นอย่างนี้อย่างมันเมื่อรู้เข้าใจกฎใจรักนี่ก็ เ, เกิดการเบื่อหน่ายและปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยวางได้เราก็เข้าใจกฎต้องเป็นอย่างเนี้ยแต่เราจะไม่รู้สึกหงุนกิดลาคาญ ร, รู้สึกกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เข้าไปแก้ไขบําบัดตามหน้าที่ จำหน้ า, นาทีเมื่อแก้ไขบาปจำหน้าที่มันดีขึ้นก็ไปเรื่องของมันมันไม่ดีขึ้นก็ยอมรับสบภาพอันนั้นทําอยู่อย่างเนี้จนกระทั่งจิตของเราปล่อยวางในตัวแต่ละไา้เมื่อจิตปล่อยวางในตัวแต่ละกด้ก็เกิดวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณหมายถึงอะไรหมายถึงเห็นแจ้งความจริงตลอดว่าร่างกายที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรจิตใจที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรจิตใจมันคิดเพราะอะไร ร่างกายที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยเป็นทุกข์เวทนาดัางเพราะอะไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นแต่เข้าไปบําบัดแก้ไขปรับเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นว่าโอ้ร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นกองทุกข์จริงๆอิงตั้งแต่เช้าจุดเย็นแก้ไขทุกเมื่อเรารู้ว่าสังขารของเรามันมีแค่นี้เราก็ทุกข์กับมันพอแรงแล้วจิตของเราที่จะไป นึกอยากสังขารตัวใหม่เพิ่มเยอะๆขึ้นไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงมาความโลภ ก, ก็จะลดลงในการเข้าไปรู้สังขารแบบนี้นะความโกรธก็จะลดลงความหลง ก, ก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะได้รู้ความเป็นจริงว่าทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันคือไตรักอันนี้จังทุกขงังหน้าตานะที่เราสวดเมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งกายทั้งจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเกิดนิพพยาญญาคือเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เราเคยรักเคยหลงเคยชอบเพราะอันนั้นมันเป็นตัวที่เราหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นทางหมจุด อาถนิพพินทติทุกเคเเอสามะโควิสุทติยานั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบทจดที่เราสวดกันหน้าดังนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเอาใจใส่ต่อเวทนาที่เกิดความม่วงเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกเวทนาแต่ทำไมทํำไมเราชอบม่วงแสดงว่ามันต้องมีสุขอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมถ้าเรา ไ, ไปทุกเวทนาจริงทำไมเราชอบมันเนะี่ยเออ ใช่ไหมคุณเลิศเคยง่วงไหมแต่ทําไมเราชอบมันไหมใช่ไหมถามว่าความม่วงเนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นนันตาเพราะควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ให้เกิดไม่ได้มันต้องเกิดเพราะมันเป็นนันตาแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นนันตาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันทีนี้ ที่ให้มันบอกขับบัญชาได้ก็ต้องมาฝึกฝนสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นใช่ไหมรู้ว่าความง่วงดูให้ดีนะความง่วงเหตุของความง่วงการแก้ไขความง่วงและการวิธีแก้ไขความง่วงการดับความง่วงวิธีการดับวิธีการแก้ไขทุกอย่างจะต้องเข้าสูตรนี้เสมอแล้วมันจะกลายเป็นตัววิปัสนาความขี้เกียจ เหตุของความขี้เกียจการดับความขี้เกียจวิธีแก้ความขี้เกียจความปวดเหตุทั้งความปวดการแก้ไขความปวดด้วยปัดสลัดความปวดออกไปวิธีแก้วิธีสลัดเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงดัสรู้เป็นสูตรที่สากลเลยสากลในกันทุกเอาหลักอริยสัจสี่นี้เข้าไปจับหมดเลยบางคนว่าเอ้ผมปวดขาเพราะคุณมีขาคุณก็ปวดขาถ้าอยงั้น ไ, ไม่ให้ปวดขาคุณก็ตัดขาทิ้ง นังถูกต้องไหมไม่ถูกเพราะขามันไม่ได้ปวดอ่าที่ขามันปวดเพราะเราจัดการไม่ถูกเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าจัดการมาถูกไมปวดขาก็ไม่มีแค่นั้นเองนะทุกเรื่องในสูตรเดียวกันนี่หมดเลยทีนี้เราจะเอาหลักของอริยสัจสีมาใช้เราก็จำไม่ได้อะไรคือทุกสมุทัยที่โดนมากในสิ่งที่เป็นฝ่ายทุกทั้งหมดเนี่ย เราก็เอาอมาประยุกต์ในนี้เราก็ย่ อ, ยอให้สั้นเข้ามาอริยสัจสทุกขสมาสมุทัยเนี่ยมาย่อเหลือเป็นรูปนิโรธ ก, กัรมย่อแล้วเป็นนามเพราะฉะนั้นถ้ามารู้ ร, รูปนามก็เท่ากับเรารู้อะไรรู้อริยสัจแล้วแต่เราจะรู้จริงหรือไม่จริงทําไมจึงบอกว่าย่ออริยสัจสีเหลือรูปกับนามเพราะว่าทุกขสมุทัยเนี่ยมันเป็น หมดว่าได้เรื่องทุกข์ใช่ไหมทุกข์เกิดขึ้นกับอะไรเท่านั้นที่ว่ามาตอเช้าขึ้นกับรูปเท่านั้นใช่ไหมทุกข์ไปเกิดกับน้ำได้ไหมไม่ได้แต่ทุกข์ไปเกิดเกิดผู้ทระนะถ้ามีที่ไหนมีรูปอยู่ทุกต้องเกิดแต่ทุกข์กับสมไทยมันเกิดกับอะไรเกิดกับรูปเพราะฉะนั้นรวมแล้วทุกข์กับสุโมไทยคือรูปแต่นิโรธกับมมรรคเนี่ยมันก็ดับความทุกข์ออกไป ความทุกข์ที่ถูกดับไปแล้วมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นอรูปแล้วเขาเรียกว่านามก็เรียก่อแล้วอริยสี่ก็คือเรารูรูป ก, กับนามเพราะนั้นเรามารู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามก็รู้อริยสัจสีถ้าแจงออกไปนะนะดังนั้นเองในเบื้องต้นวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเน้นให้มารู้รูปรู้นามก่อน ถ้ารู้ลู่รู้นามตามความเป็นจริงคือรู้อริยสัจสี่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันได้แล้วแค่รู้ลู่รู้นามนะแต่ถ้ารู้ลู่รู้นามแบบเก้เก๊ปลอมปตามสัญญาก็เป็นไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้มันรู้รู่รู้นามตามสัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่รู้ลู่รู้นามโดยปัญญามันจะแก้ปัญหาได้ถ้ามันจรงแก้ปัญหาได้เพราะเกิดปั๊บอ๋อมันก็เป็นลู่เป็นนามไม่ใช่เป็นเรา อ่าเมื่อไหรเพอร้อพับมันเป็นเราทันทีใช่ไหมลืมรูปลวงนามแล้วอันนี้ก็เป็นเพียงสัญญาแต่ถ้าเราจเจริญสติไปเรื่อยจนเห็นรูปผีนามตามความเป็นจริงปับ๊บกระทบปั๊บมัรู้ออจิตมันก็รู้รูปนามปลาอาศัยอะไรเป็นตัวปรากฏอ่าตรงนี้ทบทวนนะเรารู้ ว, ว่าเรามีรูปผีนามอาศัยอะไรเป็นตัวบอกว่าเรามีรูปผีนามอันนี้บอกไปตั้งเช้าแล้วนะ อาศัยเวทนาเพราะเวทนาเป็นได้ทั้งรูปและทั้งนามเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่เวทนาเลยนาเวทนาทางกายเราก็พลิกไปพลิกมาเนี่ยไม่ใช่เราอะนะรูปนามพลิกไปพลิกมาเนี่ยจนกระทั่งว่าเราคุน้นดังนั้นเอามาถึงเน้นว่ามาถึงณปัจจุบันนี้เอามาถึงเน้นให้ลงรายละเอียดในเรื่องของสื่อสารเรื่องเวทนาเพราะมันเป็นทั้งหมดของรูปและนาม แต่ถ้าหากเรารู้รูปนามโดยที่ไม่แจ้งเรื่องเวทนานะมันก็เป็นเพียงสัญญาเมื่อเหตุเกิดก็เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆปั๊บเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงสัญญาสัญญาอนิจจาไม่เที่ยงแต่ต้องเปลี่ยนตัวรูปนามนี้ให้เป็นปัญญาให้ได้ <c oughs> เปลี่ยนยังไงก็คือการเมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็รู้จักวิธีการบำบัดอย่างว่ามเมื่อกี้เมื่อทุกเวทนาขึ้นบำบัด ทุกวนนนินาด้วยแล้วก็ได้ตัวสติด้วยอันนั้นคือมีการกําหนดรู้ก่อนที่จะเปลี่ยนนะซึ่งว่าพิกขาเนี่ยขาสบายจริงแต่ว่ารายสติหรือเสียสติแต่พิกพับโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ก็เสียสติแต่ได้สบายขาอยู่ใช่ไหมเราก็ทําอย่างนี้กันมาซ้ำซากตลอดชีวิตของเราอะ่ะมันถึงกต่มาเป็นกําลังของอวิชชาหรือโมหะเนี่ยเมื่อเรามาศึกษาเรื่องนี้เห็นความสําคัญเรื่องนี้ ทุกครั้งที่มีการบำบัดทุกเวทนาต้องเกิดปัญญาด้วยมันก็เปลี่ยนอวิชชาให้เป็นวิชาได้เรื่อย ๆ, ๆใช่ไหมจนณวันหนึ่งปัญญาเราสมบูรณ์อวิชชาเรามากขึ้นอวิชชาเรามากขึ้นปัญญาา๊บเนี่ยมันก็เข้ามารู้เรารู้ได้ไงว่าเรารู้วิชามากขึ้นปัญญาเรามากขึ้นเพราะเรามารู้เท่าทันอะไรเกิดขึ้นกับกายกับจิตแล้วแก้ไขได้ทันทีนั่นปัญญาตัวนี้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ทีนปัญญาตนี้จสมบูรณ์เรื่อยก็มีการฝึกฝนในการเปลี่ยนทุกขเวทนาที่มันมีอยู่ที่บังคับกายบังคับใจอยู่เปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวเนี่ยทุกครั้งแล้วตัวรู้สึกตัวที่เราเปลี่ยนทุกครั้งมันก็ถูกสังสมเป็นประสบ ก, การณ์ของจิตและจิตมีประสบ ก, การณ์ในการรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าก็แปบ๊บวันหนึ่งมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็น อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นใ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคนไหนที่เห็นรูปเห็นนามเสร็จแล้วก็ในแบบธรงม่าจะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้หลักของหลวงพ่อเทียนเลยนะต้องไต่ไปตามนี้แต่ในวงของรูปนามเนี่ยมันไม่ใช่รูปนามอย่างเดียวนะท่านพูดว่ารูปธรรมนามธรรมใช่ไหมรู ป, รปโล ก, กนามโลกรูปทุกนามทุกแล้วถึง มาเห็นรูปนามลักษณะทั้งสามสี่อย่างแล้วถึงมารู้ว่าอ๋อมันเกิดทั้งหมดนั้นรูปธรรมนามทุกทุกนามทุกรูปรูนามรูมันเกิดเพราะอานิจจังทูกข์ขหน้าตาก็ไปเห็นอ๋อรูปนามเนี่ยที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะกดอานิจังทุกข์ขงหน้าตาแล้วเราก็ไปศึกษาอตัวทุกของรูปนามให้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดตัวเข้าใจ แล้วเกิดว่าเข้าใจในอ น, นิจจังทุกขังนันตาตาปั๊บก็จะไปเห็นสิ่งที่เกิดกับั น, นเรียกว่าเห็นสมมุติน่ะเราก็สมมติว่าเป็นอนันนั้นนี้เวลาจิตของเราเวลามันทุกขึ้นมาเนี่ยมันอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้คิดใช่มไห ม, มคิดแต่ถ้าจิตอยู่เฉยๆเรารู้เฉยๆ เ, เ, เนี่ยพ อ, พ, ออพอเผลอปั๊บไอ้ตัวเผลอนี่เป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นกุศลหรืออกุศล อ่าต้องถ้ายังไม่แน่ว่าเป็นสุเป็นทุกก็ตายแล้วอีกทีก็เป็นกุศลแล้กุศลนะเป็นบุญหรือเป็นลบเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วก็ตัดสินได้อ้อมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอกุศลอ่าแล้วทําไมเราจึงเผลอเพราะอะไรก็ไปสู่เดิมอ่ะเพราะมันเป็นอนัตตาบังคัาบัญชาไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเผลอแต่เรามีหน้าที่ที่จะแก้ความเผลอให้เป็นความไม่เผลอคือความรู้ดังนั้นจึงเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็น ไตรสิกขาเปลี่ยนทุจังทุกขัของนาตาให้เป็นศีลสมถียปัญญาโดยมีตัวสติเข้าไปเป็นตัวแปรดังนั้นเราจึงทําน้อยไม่ได้ไงถึงบอกว่าชอบไม่ชอบก็ทํำไปเถอะเดี๋ยวรู้เองอ น, นะแต่ส่วนใหญ่ชอบฉันก็ทําไม่ชอบฉันก็ไม่ทําเบื่อฉันก็ทําอยากฉันก็เถ้าเบื่อฉันไม่ทำอยากฉันจึงทาอันนี้อย่างงี้ไม่ไม่ได้แล้วความเพียรไม่เข้มแข็งนะเอาล ะ, ะทีนี้ดาดับด้วยว่า มิคี้พูดถึงหลักปริยัติเบื้องต้นี้ที่เข้ามาสู่สภาวะ ว, าว่ารูปนามมันเป็นมาอย่างนี้นะรูปนามเป็นมาและเมื่อรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงแล้วก็คือรู้อริยสัจและเมื่อรู้อริยสัจแล้วมันก็จะไปเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วถึงถามว่ามิคี้ว่าเวลาจิตเราคิดขึ้นมาเนี่ยจิตเวลามันอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันเป็นนามใช่ไหมรู้เฉยเฉเป็นนามแต่พอมันคิดขึ้นมาปับ๊บกลายเป็นอะไร กลายเป็นน้ํารูปหละพอมันไม่คิดปับ๊บกลจิตนั้นกลายเป็นรูปนามเฉยๆอ่ามันมีแต่รูปกับนาแต่พอคิดขึด้นมาปั๊บแสดงว่ามีตัวที่สามแล้วใช่ไหมรูปนามแล้วก็นามรูปคือตัวที่สามสมุทัยเกิดแล้วนะทีนี้เราก็ต้องฝึกตัวรู้ไปเรื่อยๆให้เกิดจิตได้รับประสบการณ์บ่อยๆประสบการณ์ที่เป็นตัวรู้คือตัวพุทธะการสั่งสมตัวพุทธะ จากพุทธะที่จะอยู่ลึกๆเนี่ยมันก็ค่อยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื้นขึ้นม า, นนมาเรื่อยๆรู้ไหวขึ้นนั่นเองฮะรู้ไหวขึ้นมันก็จะเกิดความสนุกในการทําทีนี้เมื่อมาถึงขั้นตอนสมมติเอาไว้ตรงนั้นก่อนถ้าเลยกว่า น, นั้นไปเราไม่รู้เรื่องเอาแค่เรื่องลูกนามก็มาถูอ่าลูกนามแเรื่องของใจรักนี่ก็หนักแล้วใช่ไหมเอาไปทำจะสหลายปีก็ยังไม่จบเลยนี่แคนี้นะ แต่ว่าสำหรับบางคนที่มีประสบการณ์มีอะไรที่สั่งสมมาก่อนอาจจะเข้าใจและชัดเจนทันทีก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะเอาละทีนี้วันนี้มาดูนิวร อ, อีกทีห น, น, นึ่งนะนิวรธรรมเนี่ยเกิดจากอะไรอ่าและทำไมท่านจึงเรียงเอาไว้ก่อนเลยจำไว้ว่าดู มาจะใช้คําว่าตัวนิวรณ์ตัวที่หนึ่งใช้ว่าตัวขี้เกียจเพราะอะไรจึงขี้เกียจเพราะเราชอบสบายใช่ไหมไอ้ตัวชอบสบายนี่เป็นกุศ ล, ลหลือกุศลเป็นอกุศลเขาเรียกว่ากามกามฉันทะคืออยากจะสนุกสนานอยากจะทําน้นนั้นตามใจไปเป็นกามฉันทะพอไม่ได้ถูกตอบสนองก็เกิดปฏิฆะเกิดไม่สนุกด้วยเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิฆะ ดังนั้นในตัวนิวรณ์ทั้งห้าเนี่จจำไม่ขึ้นใจเลยเพราะมันปรากฏตลอดเวลานะแต่นิวรณทั้งห้านี้ถามว่ามันเป็นรูปหรือเป็นนามเราจับะศูนยให้ได้นิวรณทั้งห้าเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนามเวลาเราง่วงอะเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนามคุณเลอเคยสังเกตไหมเรื่องง่วงขึ้นมามันเป็นรูปหรือเป็นนามเวลาง่วงถามก่อน ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ย้อนไปเมื่อกี้อาการที่เราง่วงไปสุขหรือไปทุกข์แสดงว่าเป็นทุกข์แสดงว่าเป็นรูปหรือเป็นนามเออเห็นว่าต้องจับไปหาสูตรนั้นถ้าหากว่ามันเป็นทุกข์ก็แสดงว่ามันเป็นรูปใช่ไหมแต่บางครั้งเราชอบที่จะง่วงอ่ะถ้าไม่ง่วงเราก็หลับตาให้มันง่วงบางครั้งใช่ไหมก็แสดงว่าเราชอบมันแสดงว่ามันไม่เป็นไม่ใช่เป็นทุกข์เสมอไปบางครั้ง มันก็เป็นสุขแต่สุขด้วยความหลงนะเป็นโมหะชนิดหนึ่งเป็นสุขที่เป็นสมุทยัยก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าของแสลงนะความสุขที่เป็นของแสลงทั้งกรรมวันทะก็ดีพยาปาทะก็ดีอุทะจักอุจจ ก, ก็ดีทีนมิทะก็ดีแล้วก็วิจิกิจฉาทั้งห้าอย่างเนี่ยก็คือพูดเป็นภาษาไทยก็คือความ อยากทําอะไรได้อะไรตามใจหรือขี้เกียจอันที่สองงุนหงิดไม่สนุกสนานาหุนเฉียวขุนมัวเศร้าหมองอันที่สามก็หัวงเหงาเศร้าซึมไม่กระปี้กระเปล่าวสลุมสลืออันที่สีก็เลื่อนลอยฟุ้งซ่านปุงแก่งอันที่ห้าก็ลังเลเออเรามาทําอะไรทําเพื่ออะไรได้อะไรยกมือคิดละทั้งห้าตัวเนี่ย เป็นตัวอุปสรรคถ้เราเป็นหินแรน c e เป็นตัวขวางกัน้นในสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นและในห้าตัวนี้เป็นต้นกำเนิดของอกุศลสามประการตัวกามฉันทะก็คือขอให้เกิดตัวราคะตัวพยาปาทะคือตัวงูกิิตขอให้เกิดโทสะเป็นที่มาของโทสะสำหรับตัวโมหะนนสามตัวรวมกันเลยตั้งแต่ เพราะนั้นคนง่วงก็ดีคนฟุ้งซ่านก็ดีคนระเลยสงสัยได้แก่มีโมหะจิตทั้งสามตัวชัโมหะรวมเข้าสามตัวเลยแต่ราคะโทสะได้แก่ตัวกรรมสันทาและพยาปาธาโมหะก็ได้แก่ตัวง่วงเหง า, งาตัวลื่นลอยตัวสงสัยสามตัวนี้เป็นโมหะราคะโทสะโมหะก็เกิดจากนิวรณ์ทั้งห้าตัวนี้เองถ้าเราแก้นิวรณ์ได้ทุกตัวราคะโทสะโมหะไปไงก็เบาลงเช บอลลงจนหมดไปเมื่อนิวรณ์สงบแล้วอะไรเกิดขึ้นมาแทนจิตนิง่งจิตเป็นสมาธิเป็นสมมาสติสมมาสมาธิเกิดขึ้นมานะตอนนั้นเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่าไปเบื่อนะแต่ความเบื่อมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่นี่ให้ความเบื่ออยู่กับเรานานเราไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ให้เบื่อมาให้ง่วงไม่ให้ ขี้เกียจไม่ให้ลังเลไม่ได้ห้ามแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขทันทีนะอันนี้คือหลักในวิธีการอันนี้ทีนี้ต่อมาถ้าเรารู้อย่างนี้สําหรับผู้ใหม่เนี่ยมันยังรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะความเข้มข้นของความเคยชินมันยังสูงความเข้มข้นของอุบทานมันยังสูงและความที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ชินที่สะดวกสบายเนี่ยเราไปยึดไปติดพอมาอยู่สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ทุกอย่างขัดข้องไปหมดมันก็เกิดปฏิฆะเกิ ด, งงดไม่สบายอันนี้คือปัญหาของคนรุ่นใหม่เรียกว่าอินทรีย์มันอ่อนคือไปติดในสิ่งที่เป็นสบายาลูกเสียงกีรี่สบายเมื่อไปติดไปยึดบ่อยเข้าแต่ว่าสภาพของความเป็นจริงของชีวิตนั้นมันไม่มีอะไรสบายมี ความทุกข์ตลอดนะแต่ว่าเราพยายามหนีแต่ความทุกข์ที่ปรากฏปรากฏในรูปของเวทนานั้นเมื่อเราจะต่อสู้ความจริงก็ต่อสู้กับเวทนาที่เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะดังนั้นในการมาฝึกฝนการปฏิบัติเนี่ยถ้าหากเราพยายามศึกษาทําความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เกิดกําลังใจลองศึกษาจริงจริงจังๆดูนะในการขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไว้ไปมาอะไรเนี่ย ให้รู้เท่าทันให้หมดแต่ว่าเราก็พยายามสังเกตศึกษาแล้วบำบัดไปแก้ไขไปได้สติได้ปัญญาไปนะทีนี้ถามว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่อันนี้คือนับปฏิบัติเราจะถามเอ่นั่งสร้างจังวะเดินจูงมีอลตลอดไปแล้วมันไปจบเมือ่อไหร่หลงพ่อเคยมีคนถามนะจะถามว่าคุณกินข้าวนะี่คุณจะอิ่มเมื่อไหร่เหมือนจะถามอย่างงี้นะ เฮฉันจะไปตอบแทนคุณได้อย่างไรนะถามเหมือนถามว่าคุณกินข้าวแล้วก็จะอิ่มเมืนะ่อไหรเนยอะอันนี้คือป็นจตันะจะไปเจบปจันนี้นจตังคนั้นก็จึงอยากให้กําลังใจว่าสิ่งที่เรามาทํานี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงเพราะนั้นจะต้องทําด้วยความคารพทําด้วยความบูชาทําด้วยความอาน้ำหม้าระวังนะจะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินอะไรเนี่ยก็ มันก็จะเข้าสู่หลักของที่เรียกว่ า, าธรรมะคารวตาคือคารพธรรมเมื่อเราเคาบรบทำแล้วทำนั้นก็จะเข้าสู่ตัวเราคารบทำคือเคารุปกิคารพการกระทําของตัวเองนะไม่ใช่คารพธรว่แปดมื่นสี่พันมหันต์นะแต่เคารพการกระทําตัวเองการกระทําแต่ละอย่างมีความหมายร่างกายที่มันเคลื่อนมันไหวมันไปมันมามันดิ้นได้เนี่ยมันมีความหมายมากนะความหมายอย่างไร เพียงแต่ลมหายใจเราขาดลงปุ๊บเนี่ยการกระทําทุกอย่างมีไหมไม่มีแล้วหมดความหมายไปเลยขอลมหายใจขาดลงแต่การกระทําทุกอย่างมีความหมายตรงที่เรามีลมหายใจอยู่เท่านั้นนะดังนั้นในช่วงที่เรามีลมหายใจอยู่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยให้มันไปไ ป, ปทางฝ่ายกุศลให้มากที่สุดนะ เพราะอะไรเพราะมันเป็นทางที่จะบรรเทาเบาบางของทุกข์ของเราเนี่ยให้น้อยลงไปและทุกในชาตินี้เท่านั้นนะแล้วชาติต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์อีกนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหลักการอันนี้แล้วก็อยากจะเกิดเรื่อยไปเพราะอะไรเพราะยังติดในสุขอยู่ก็อยากจะเกิดไปเรื่อยๆหรือพวกเทวดาทั้งหลายนะอันนี้คือหลักการในวันนี้เรื่องของ รูปนามเข้าใจเรียมคุณไหนบางยังไม่เข้าใจเอ้ามีอะไรถามแนี้จะหมดเวลาแล้วนี่เนาะง่วงเรียงวันนี้น่าจะหายง่วงแล้วเนาะคืนนี้ก็จะหลับได้ยาวขึ้นนะแล้วเอาไปทำแล้วอย่ามองข้ามตัวที่บังคับเราตัวที่ทำให้เราเผลอได้ง่ายง่ายคือ เวทนาไปเอาใจใส่เรื่องเวทนาให้ได้มางานเนี้ยถ้าเข้าใจเรื่องเวทนาเรื่องเดียวพอใจละเพราะมันเป็นทั้งหมดของเรื่องนะจะให้เป็นเวทนาแบบไหนก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บและไม่กลัวความตายถ้าเราอยู่เหนือเวทนาได้แต่ถ้าเรายังอยู่เหนือเวทนาไม่ได้เนี่ยความแก่ความเจ็บความตายก็ครอบงำเราเลื่อไป ถ้าจะว่าไปคือเวทนานั่ยแหละคือความแก่ควาเจ็บความตายทั้งหมดถ้าเราไม่มีเวทนาเราไม่ต้องไปรับรู้ความแก่แก่เจ็บตายก็ได้เพราะไม่มันไม่ได้เป็นสัญญาณให้เกิดทุกข์นะไม่มีนะไม่มีอะไรสงสัยนะเอาละก็ข อ, อนมุทนาสาธุความตั้งใจที่จะศึกษาเ ร, เรียนรู้สัจธรรมนะที่เป็นจริงที่มีอยู่ในตัวเรา ด้วยความเคารพด้อยความเอาใจใส่ด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนด้วยการทุกคนทุกท่านถือ